วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอุปกระ์แก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องของสังโยชน์ที่เกิดขึ้นในขณะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมกูกุมกลิ่นลิ้นดิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่เราตั้งใจเหนียวนึกตรึกนึกมาโดยดำดับ กิเลสประเภทนี้ในแง่ของการละได้เด็ดขาดแล้วก็ต้องอาศัยอริยมรรคในแต่ละระดับเป็นเครื่องมือในการละแต่ในขณะเดียวกันธรรมะปฏิบัติก็จะทรงสั่งสอนในรูปของการค่อยๆขัดเกลาก้ จ, จิตใจมีความสงบมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับเราจะเห็นได้ว่า ผลประโยชน์ที่บุคคลจะได้ในปัจจุบันที่เราเรียกว่าทิฏธรรมิกาตประโยชน์มันก็อาศัยการเจือจางบบาบางลงไปของกิเลสในระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดคนเหล่านั้นก็จะไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขไม่หากินในทางที่ไม่ชาชีพตลอดถึงงดเว้นจากการขารัดลัพั์เป็นต้น ซึ่งผลเหล่านั้นสืบเนื่องมาจากกิเลสได้ลดลงไปถ้ากิเลสจะมีความรุนแรงอยู่ภายในใจเช่นมีความโกรธจัดมีความโลภจัดมีความหลงจัดการแสดงออกของเขาก็ต้องไปตามแรงผลักดันของความรุนแรงแห่งความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นเพราะมาถึงระดับที่เป็นคนดีที่เป็นสัตว์ปุรุษ ที่ทแปลพูดสงบเราอาจจะแปลว่าสงบบาปก็ได้สงบ ก, กิเลกก็ได้สงบความชั่วก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สงบ ก, ก่อนนั้นก็คือกิเลสเมื่อกิเลสสงบ ก, การทำชั่วทางกายทางวาจาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นบาปก็ต้องสงบลงไปเพราะไม่มีบาป เพราะสิ่งเหล่านี้แม้จะพูดเพียงคำเดียวเราเห็นก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องถึงกันนั้นแนวการปฏิบัติในรูปของการขัดเกลายนั่นเองท่านจึงมักเน้นที่ศรัทธากับเรื่องของปัญญาเป็นหลักยัในกรณีของความคริบแครงสงสัยที่ท่านเรียกว่าวิจิกิชานั้น แล้วก็มีทั้งในเรื่องของสังโยชน์มีทั้งเรื่องของนิวรณ์ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าระดับสังโยชน์นั้นละเอียดกว่าระดับของนิวรณ์แต่ชื่อก็คงเหมือนกันคล้ายๆกับเกลือจะเล็กจะใหญ่ก็คือเกลือด้วยกันหรือไฟกองจะโตกองจะเล็กมัคือไฟด้วยกันยาพิษจํานวนจะมากจะน้อยก็คือยาพิษด้วยกัน ความเครียแกร่งสงสัยนั้นเป็นกิเลสประเภทโมฆะคนเราเกิดมาในโลกด้วยความไม่รู้ก็พยายามเรียนรู้กันไปเรื่อ ย, ร, อยรู้มากปางน้อยบงังแต่ในขณะเดียวกันตราบใดที่ยังข้ามความสงสัยไม่ได้คือยังไม่เป็นถึงระดับพระรยบุคคลตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปเรื่องที่สงสัยมันก็มีอยู่ได้เรื่อย เพียงแต่จำนวนอาจจะลดลงปพานในการปฏิบัติที่สมบูรณ์ท่านจึงเรียกพระโสดา บ, บันว่าสมบูรณ์ด้วยความเห็นซึ่งหมายความว่าปัญญาในระดับนั้นสมบูรณ์หรือมีศรัทธามั่นคงก็แสดงว่าการกระจัดความเรลิดเพลีงสงสัยนั้นอาจจะกระจัดด้วยศรัทธาก็ได้หรือปัญญาก็ได้ คนนี้ท่านสรยชนลองสังเกตดูคล้ายๆกับยาสักขนาดหนึ่งการที่เราจะรับประทญญานยายังมีเหตุมีผลคือผู้ตึงมีเหตุวีผลกันคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้คุณภาพของยาหรอกแต่อาศัยเราเชื่อผู้ที่ให้ายาก็คือหมอหรือพยาบาล แสดงว่าในกรณีเช่นนี้การรับประทานยาในกรณีเช่นนี้ก็เกิดขึ้นมาจากศรัทธาเกิดความเชื่อธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งเราอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่มั่นใจในธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้แต่เมื่อเราเชื่อในองค์พระพุทธเจา้าเราก็พร้อมที่จะศึกษาและพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมะ พร้อมจะจะละโจ้วประพฤติได้ตัวนี้ก็อาศัยความเชื่อทีนี้บางทีเนี่ยแนวหมอนั่นเองนะที่กลากแล้วคือเราเราไม่ได้รับยาจากหมอแต่รับรับรับยาจากคนที่เคยรับประทานยาขนาดนั้นแล้วหายด้วยโรคเดียวกันกับที่เราเป็นแล้วเขาก็ยานั้นมาให้ เราก็เชื่อเขาเพราะเขารับประทานมาแล้วแล้วก็หายมาแล้วเราก็รับประทานยานั้นสแสดงว่าในกรณีนี้สำหรับผู้ให้นั้นเขามีทั้งศรัทธาอีกทั้งปัญญาแต่เราในขณะนั้นเราก็มีเฉพาะศรัทธาแต่ไม่จะศรัทธาในตัวยาเป็นศรัทธาในตัวเขาในตัวคนที่ให้เราก็เคยหายมาแล้วก็เหมือนกับความปรุงใจเชื่อในธรรมะคาสั่งสอนที่เราได้รับจากพระสงฆ์ ที่จริงประสงค์ไม่ใช่ผู้ศึสรู้ธรรมแต่ประสงค์เป็นผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเขาสัมผัสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวคนงท่านแล้วก็นำมาสอ น, อนตามปกติแล้วธรรมะที่เอามาพูดกันทั่วๆไปเนี่ยระดับทั่วๆไปก็เป็นเรื่องที่พระปฏิบัติได้อยู่แล้วเราก็เชื่อในคำสอนเหล่านั้นแต่ถ้ามองเชื่อมดูแล้วจริงๆเราอาจจะไม่เชื่อตัวคําสอนจะเชื่อคําสั่ง คำแนะนำของพระสงฆ์ที่เราเคารพรับถือก็เหมือนกับเราเชื่อเรารับประทานยาเราเชื่อในคุณภาพของยาจุดหนึ่งรับประทานยาเพราะเชื่อคนที่เคยหายป่วยมาจากยาขนาด น, นั้นถึงจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความสงสัยที่กระจัดออกไปด้วยอำนาจของความเชื่อคือน้อมใจเชื่อทีนี้ในบางการณีเนี่ย จากตัวยางยานั่นเองพอดีเราเคยรับประทานมาแล้วแล้วเราหายแล้วต่อมาหมอไม่ต้องให้พยาบาลไม่ต้องให้เราอาจจะซื้อเ อ, เองหรืออาใ จ, จเด็กซื้อให้กับยาขนาดนั้นแล้วเรามาถึงก็เอามารับประทานแสดงว่าการรับประทานยานในขณะนั้นมันเกิดขึ้นจากทั้งความเชื่อและทั้งปัญญาปัญญาที่เป็น ภาวนามายปัญญาคือเราลงมือรับประทานมาแล้วเราก็รับผลมาแล้วนี่บางบางทีเนี่ยคนอื่นอาจจะเอามาให้พอดีเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่นี้ก็ทําให้มีความมั่นใจในญย่นั้นมากยิ่งขึ้นถึงหมายความว่าศรัทธาก็ตามปัญญาก็ตามก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นความเครียดแครงสงสัยใดแปดเรื่องใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการชะ ง, งักงันในการประพฤติปฏิบัติธรรมะจะละความชั่วประพฤติความดีเรื่อยๆก็ตามที่เราเกิดความครบรวนสงสัยอยู่นี้ยเกิจะพบว่ามีความเชื่อมโยงกันในลักษณะนั้นหมายความประจับตรงใดตรงหนึ่งให้ได้แล้วจะปจัดความสงสัยแม้ในส่วนอื่นออกไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใช้สทชัทธาก็ตามใช้ปัญญาก็ตามในส่วนที่เป็นประพฤติผล และอย่างอื่นก็จะถูกลดลงไปความสงสัยก็จะลดลงไปเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เราสงสัยนั้นจะเชื่อมโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ด้านความสงสัยส่วนใหญ่นี่จึงจำแนกไว้เป็น8ประการด้วยกันคือความเคลื่อแปรสงสัยในพระพุทธเจ้าเคลื่อนแปรสงสัยในประธรรมเคื่อแปรสงสัยในประสงค์เคลื่อแปรสงสัยในไตรจิขาคือศีสมาิปัญญา แกลี้ยกล่อสงสัยในเรื่องชีวิตอดีตจัดก่อนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือไม่เคยเกิดถ้าเกิดเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรเราเกิดจากนั้นแล้วก็ไปเกิดในที่ไหนมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงการงานยังไงอาชีพอย่างไรฐานะยังไงมีครอบครัวอยู่ดีมีสุขหรือมีทุกข์ยังไงมันก็ก ส, งสงสัยลากกันได้ไปเรื่อย เออเพราะว่าลักษณะเราเนี่ยคล้ายๆกับเราไปขุดลงไปในดินก็อยากรู้แต่รูปขุดลงไปไปถึงเจอหนึ่งมันก็อยากรู้ต่อไปมาต่อไปได้มีอะไรแล้วก็ขุดลงไปขุดลงไปพอขุดลงไปก็เจอก็อยากรู้ต่อไปอีกว่ามันมีอะไรก็ตกลงก็ทําให้ขุดลงไปได้ลึกเรื่อยๆไปตราบเท่าที่ยังขจัดความอยากรู้ไม่หมดหรือความเครียดแรงสงสัยว่าข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรมันก็ต้องขุดกันไปเรื่อย อย่างแรก็การค้นคว้าศึกษาทั้งพวกอวกาศก็ดีทั้งสมุทรศาสตร์ก็ดีหรือว่าธรณีวิทยาก็ดีหรือว่าเรื่องต่างๆนี่เราศึกษาเละเฉพาะบางสิงส่วนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อแล้วคือเรารู้แล้วเราเชื่อในสิ่งนั้นด้วยอํานาจของศรัทธาในตัวนักวิทยาศาสตร์ก็ได้โดยประสบการณ์ตรงเราก็ได้แต่เราก็ยังเครือบแคลงสงสัยในเรื่องต่อไป หร อ, อย่างในกรณีนี้ขณะนี้ก็พูดเรื่องควรตายไม่ควรตายควรรักษาไม่ควรรักษาคนก็กำลังถกเฉียงกันในหมู่นักธรรมะว่าช่วงไหนที่เรียกว่าตายช่วงไหนที่เรียกว่ายัางไม่ตายทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะศึกษาค้นคว้าเนี่ยเราหาข้อยุติไม่ได้นะพระธารมศาสนาจะแสดงไว้อีกระดับหนึ่งทางแพทย์ก็ค้นคว้ามาได้อีกระดับหนึ่ง นจนฉลาดจึงไม่ไปใส่ใจในจุดนั้นจะตายยังไงจะตายรูปแบบใดจะตายเมื่อไร่จะตายโดยวิธีใดก็ช่างมันแต่ว่าทํายังไงให้กิเลสมันดับไปได้ให้กิเลสมันลดไปได้เราใช้สาระแกนสารในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นประวัตเวลาข้างหน้านั้นเราก็ไม่รู้ยังเหลือสักกี่วันวันที่ผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้วันข้างหน้ามันก็ไม่รู้จะมีเหลือสักกี่วัน อาจจะพรุ่งนี้ตายบา ร, รุด น, นี้ตายบ ร, รุด น, นี้ตายเดือนหน้าตายเดือนปีหน้าตายอะไรต่อไหนอาจจะตายตรงใดก็ได้เพราะคนจะไม่สูญเสียเวลาในการถกเถียงเรื่องเหล่านี้แต่ก็จะมาจับหลักของพระพุทธเจ้าคือเชื่อตามหลักของพระพุทธเจ้าและจะไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีเพราะเถียงไปบังกระท่านั้นเองแต่ใ น, นเรื่องบางเรื่องเนี่ย ที่มันมีความเห็นแจง้งมีความขัดแย้งกันหรือหมายความว่าแต่ละคนที่จริงก็มีความสงสัยแต่ว่าเราก็เข้าถึงจุดที่ถูกต้องไม่ได้สมมติออกแพทย์ในเรื่องนี้มาพูดกันมันก็มีการเถียงกันได้นักศาสนาเรื่องนี้มาพูดกันมันก็เถียงกันได้อีกเพราะงาั้นถ้าขืนเฉียงกันไปจิตใจก็จะฟุง้งซ่านต้องพูดปากต้องอภิปรายปาก ในสุดก็แต่ไม่สำราญจิตใจก็จะไม่บั่นคงจักระดการสำรวจระวังจิตก็จะห่างจากสมาธิเป็นการเพิ่มบาปขึ้นโดยร้ายประโยชน์มันก็หยุดเฉียงแล้วก็มาจับหลักที่พระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคบางทีความเครื่อแกร่งสงสัยเราก็ไปสู่อนาคต หลังจากตายไปแล้วเราจะเกิดอีกหรือไม่นะจะเกิดที่ไหนจะเกิดอย่างไรจะมีความสุขความทุกข์ยังไงแต่สถ า, านทัณสถ า, านที่นั้นอยู่ที่ไหนไปต้องกระว่ากันไปเรื่อยๆหรือสงสัยทั้งอดีตอ น, นาคตก็สงสัยจงเกิดความสับส น, นไปหมดถึงลักษณะเหล่านี้ลองสังเกตว่าคล้ายๆคนดูหมอมันแสดงถึงความสงสัยคืออยากรู้ไม่แน่ใจ บอนก่อนจะถามเรื่องอดีตก่อนเรือจะดูปัจจุบันแล้วก็ถามเรื่องอดีตเราให้บอกอนาคตทีนี้ถ้าเขามั่นใจในอนดีตเนี่ยหมอตอบถูกในอนดีตเขาจะมั่นใจในอนาคตว่าหมอนั้นคงตอบได้ถูกนั้นแสดงให้เห็นว่าลึกๆจริงๆทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยท่านผู้นั้นมีความสงสัยอยู่แลยความเคร็ปแรงสงสัยในกฎของปจัยาการหรือกฎของปฏิจจสมุปาทก็เป็นกฎธรรมชาติ ตรงนี้จะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราอาศัยความเชื่อที่เราคุณพเจ้าอย่างเดียวเราก็เดินได้ทีนี้ถ้าหากว่าสามารถพัฒนาปัญญาขึ้นไปจนสัมผัสตรงด้วยตัวเองสัมผัสคนคุณศีลคุณธรรมะด้วยตัวเองความเรียบแครงสงสัยในใตสื่ขาก็ไม่เกิดขึ้นก็ลดลงไป ทำให้ความสงสัยในธรรมะก็ลดลงไปความสงสัยในพระสงฆ์ซึ่งท่านศึกษาปฏิบัติธรรมะก็ลดลงไปในความสงสัยในพระเจ้าตลอดถึงเรื่องอีกสีข้อข้างล่างมันก็ลดลงไปได้ซึ่งอาจจะเริ่มจากศรัทธาอาจจะเริ่มที่ปัญญาแต่จริงๆในแนวปฏิบัตินันจะต้องมีพร้อมทั้งศรัทธาและปัญญา ก็นแนว่าอินทรีย์ทั้ง5ประการหรือภร ะ, ะทั้ง5ประการนั่นเองในกรณีของศรัทธากับปัญญาจะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันประสาหาก็เชื่ออะไรมากจนเกินไปปัญญาไม่มีกำลังมากพอที่จะสรวจสอบวินิจฉัยข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นก็เสี่ยงต่อการตกเป็นทาสของการโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะ ย, ยิ่งในยุค ข, ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ แต่ถ้หาก็ใช้ปัญญามากเกินไปที่จริงเราก็จำกัดปัญญาเรามีจำกัดแต่ขืนใช้มากเกินไปในที่สุดมันก็จะไปปฏิเสธในสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็มีปัญหาในลักษณะอย่างเดียวกันเพราะว่าตามปกติแล้วคนที่มีปัญญาโดยขาดศรัทธานั้นมักจะหลงตัวเอง ทำนองคล้ายๆกับสร้างโลกตัวเองขึ้นมาแ้วก็ไม่มีใครเก่งกว่าเราเรารู้มากกว่าเราเก่งมากกว่าเราซาบซึ้งมากกว่าที่โบราณนั้นใช้คาว่ากลนกเกิดอยู่ในสจัจใจตัวอย่างบุคคลที่เราเห็นได้ชัดว่าสร้างโลกตัวเองขึ้นมาอย่างท่านสักจกะสักจกะนิครน ที่มีความรู้สึกว่าสติปัญญาของท่านนั้นมีมากและเกิดมากจนจะล้นมาข้างนอกท้องมันจะแตกต้องเอาพืชเหล็กมารักท้องไว้แล้วก็มองไม่เห็นใครในโลกนี้จะรู้ทัดเตียงกับท่านมันก็ดูแล้วเนี่ยใกล้ๆกับคนจึงตัวสูงอาจจะต้องไม่มากอาจจะร้อยกสิบห้าเซน แต่พอดีไปอยู่ในกลุ่มของคนที่สูงเพียงไม่เกินร้อยห้าสิบห้าน้นข้านเข้ามันก็หลงตัวเองเนก็คิดว่าตัวเองนี่สูงที่สุดแล้วมันใหญ่ที่สุดแล้วสาคัญที่สุดแล้วในกรนี้เราอาจจะมองจากจุดอื่นเช่นตัวอึ่งที่ไปหาอาหารแล้วก็มาเจอโคมาเหยียบเอา ที่วางไข่ของตัวเองพี่อยู่กับตัวเองมาสอบถามลูกว่าตัวมันใหญ่โตขนาดไหนลู ก, กอธิบายไม่ถูกมันใหญ่มากๆข้าที่อึงนั้นไม่เคยเห็นโขแล้วก็นึกว่าตัวเองมันใหญ่ที่สุดเพราะอยู่กับลูกซึ่งเล็กกว่าในสุดก็เอาตัวเองเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ วินิจัยความใหญ่ของโขก็แบ่งตัวเองออกมาที่เยๆจนตายที่จริงแล้วเนี่ยคือสะท้อนให้เห็นทั้งกีเ่เด็ที่ไปอยู่ภายในใจของคนของสัตว์เหล่านั้นเพียงแต่ว่าเวลาเราเรียนเราก็มองภาพจับยาแต่นั่นเองและบางทีก็มองเป็นนิยายแนวนิยายสนุกนิทานสนุกๆไปคือไม่ได้มองกลับไปจริงๆว่าพฤติกรรมเหล่านันสะท้อนมาจากกีเ่เด ดังนั้นในการเสริมสร้างเพื่อขจัดความเครียดแรงสงสัยอย่างน้อยคือคือบันเราความสงสัยเนี่ยแล้วก็มีใช้ศรัทธาเป็นหลักหรือใช้ปัญญาเป็นหลักทายดีก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างแต่ให้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยใชใ้ครบทั้งห้าอย่างหม้ความเป็นยังไงหมาความว่าต้องมีสติเป็นตัวย้อนระลึกหัวนระลึก จะราอาจะจับหลักสั้นๆง่ายๆวัตรธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงไม่ถูกต้องจริงมัน้นไม่น่าจะผ่านการเวลามาได้ทั้ง 2,500 กว่าปีแล้วก็ผ่านมาทั่วโลกด้วยไม่ใช่อยู่เฉพาะในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราจับเพียงเท่านี้สตริระลึกเพียงเท่านี้มันก็เสริมปัญญาเสริมศรัทธาได้แล้วเราจะมองในแง่ของธรมงธรมะพิจารณาองค์ธรรมะ ยกมะขึ้นมาสักข้อหนึ่งลองดูง่ายๆเอาสักข้อเดียวเจตนเบตาทำคำจุนโลกหรือว่าความละอายต่อบาปความสะตุ้งกลัวต่อบาปเป็นธรรมะที่กุ้งครองโลกเอาไว้ก็ลองจินตนาการดูคิดดูสมมติว่าคนแต่ละคนกนละัวบาปรังเกียดบาปขยะแข ย, ะยงต่อบาปไม่กล้ากระทำบาปเรามัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นบาป เราอาจจะคิดจากตัวเราก่อนพอท่านนายกนั้นจิตเราเป็นอย่างนั้นน่ะอาการทางกายทางวาจาใจิตใจเราจะเป็นอย่างไรเราจะฆ่าคนอื่นได้ไหมรักทรัพย์คนอื่นได้ไหมล่วงเกินคุกคองคนอื่นได้ ไ, ดไหมโกหกหลอกลวงรมรุนไร้ไร้คนอื่นได้ไหมดื่มสิ่งเสพติดต่งตางๆเปต้นได้ไหมเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ไปเอง เพราเลยเระการกระทาเหล่านั้นเป็นการประทุษร้ายต่อตนเองและประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นในเมื่อพื้นฐานจิตเรามีเมตตาก็ดีหรือมีดีอุตตปะก็ดีแล้วก็ไปไม่ได้ถ้ามองจะสายดีอุตตปะก็มองในแง่ที่เป็นบาปถ้ามองจะสายของเมตตาก็แสดงว่ามองในสายของความรักความเมตตาคือสรุปง่ายๆว่าถ้ามองในสายเมตตาก็มองที่ตัวคน จะมองสายฮิริโอตระปะก็มองที่ตัวบาปซึ่งจะเป็นบาปอะไรใครทําทําเมื่อไหรทําที่ไหนก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าฐานในการปฏิบัติก็คือทุกฝ่ายได้งดเว้นบาปคนที่มีเมตตาก็จะงดเว้นบาปคนที่มีริโอตรปะก็จะงดเว้นบาปแล้วตีต่างว่าภายในครอบครัวเราเนี่มีคนอย่างนี้คนที่มีใจเมตตาต่อกัน คนที่มีรถริโอตปะอยู่ภายในใจคือจะเอายังไงก็ได้หรือจะเอาสองอย่างก็ได้เราก็จะเห็นภาพของการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไม่เปลียดเบียนกันไม่ทะเลาะวิวาดกันมีความเอื้อทร้อมความบูงใหญ่ต่อกันแล้วขยายคิดขยายไปเรื่อยเป็นตำบลเป็ น, นำอำเภอเป็นจังหวัดก็ว่าไปเรื่อยเราจะเห็นว่าจะมองจากผลของเมตตาก็ได้มองจัผลของโริโอตปาก็ได้ แต่ว่าผลสำฤทธิ์นั้นก็คือความสงบสุขที่ปัจเจกชนแต่ละคนได้สัมผัสก็กอให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของบอคุคคลทั้งหลายเพราะนเมื่อเราคิดได้ในลักษณะนี้มันก็จะไปเพิ่มตัวศรัทธาขึน้นศรัทธาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อศรัทธาในคําสอนมันก็ศรัทธาในองค์รพระพุทธเจ้าพอสืบเนื่องมา คนี้เราสังเกตคล้ายๆกับว่าหมอให้ยาดันที่กล่าวแล้วในตอนต้นเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อหมออะไรเท่าไรหน้าอ่อนๆหน้าเด็กๆแต่ต่อมาเมื่อหมอให้ยาเรามาเรารับประทานยาแล้วเกิดหายให้เราสังเกตว่าตัวยานั้นเรามีทั้งศรัทธาทั้งปัญญา ในช่วงแรกไปเรื่องศรัทธาในช่วงต่อมาคือรับประทานแล้วหายนีย่มันเกิดปัญญาเห็นคุณค่ า, ข, าของยา น, นั้นแล้วก็เป็นตั้มปัตจุบันของเราเองในตัวหมอเองเราจะมีศรัทธามากจริงๆนต่อมาวันอื่นเป็นโรคอย่างอื่นหมอให้ยาอยีกหมอคนนั้นแหละให้ยาอย่างอื่นเพราะอาศัยศรัทธาเพราะอาศัยปัญญาที่เราเคยมีต่อคุณหมอคนนั้น จะทําให้เราไปรักษาคุณหมอนั้นอีกบ า, บางทีก็กลายเป็นหมอประจําตัวแต่กว่าจะถึงวันนั้นให้เราสังเกตว่ากว่าจะถึงวันนั้นคนที่มีหมอประจําตัวไม่ใช่ว่านิ่งๆไปเป็นหมอประจำตัวแต่มันมีสัมผัสตรงที่เพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาให้แก่บุคคลนั้นๆจนศรัทธาก็เกิดความเชื่อมัน่นปัญญาก็พิจารณาเห็นความดีความงามความรู้ความสามารถ แต่เราถึงยากับหมอก็ได้คือบางคนก็ไม่ศรัทธาหมอเท่าไหรจะศรัทธายามากกว่าแต่บางทีก็อาจจะศรัทธาที่หมอเพราะว่ายาเรายังไม่รู้มันดีหรือไม่ดีแต่ตรงนี้ท่านสาชนท่านหลายจะเห็นว่าถ้าศรัทธามันมากไปเนี่ยปรเดี๋ยวก็ยุ่งไปเจอยาผีบอกยานั้นยานี้แต่นั้นจริงต้องมีปัญญาเข้ากํากับสรวจสอบพินิดปีจัดามีสติเป็นเครื่องมือในการระลึก แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสังขารอย่างหนึง่งธรรมะมันก็เป็นสังขารอย่างหนึง่งสังขารก็คือแบบของสังขารคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนั้นจะพบว่าเอาก็จริงแล้วจิตที่ประกอบด้วยเมตตามันก็ตั้งอยู่ภายในจิตเราไม่ได้นานฮิริอตตะะเองก็อยู่ไม่ได้นานกันติโสระจะอะไรก็อยู่ไม่ได้นานมันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงลดลงแต่ก็คือความเปลี่ยนแปลง เพจึงต้องใช้ความประยัดในการเพิ่มผูนสิ่งเหล่านี้รักษาความดีเหล่านี้เอาไว้คือไม่ต้องพูดถึงการละเพราะจริงๆเราพูดถึงเรื่องความดีแม้ความเมตตาส่วนหนึ่งก็มีอยู่แล้วแต่ยังไงจะเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีกําลังมากพอในการที่จะรักษาสุขภาพจิตของตัวเองแล้วก็แผ่ธรรมรังสีไปสัมผัสกับบุคคลอื่น จนเกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขจากจุดย่อยที่สุดก็สองคนไปก็เรื่อยๆก็ว่าแล้วแต่ว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อใช้ความเปลี่ยนพยายามเพิ่มพูนขึ้นแล้วเนี่ยต้องรักษาไว้ไม่งั้นมันเสื่อมอีกก็ตานานํานองของร้อนของเย็นนะตัวนี้เราก็เห็นภาพอีกว่า ของที่เย็นเนี่ยเราก็ต้องรักษาความเย็นเอาไว้เว้นี้ก็ตู้เย็นเข้ามาช่วยของร้อนถ้าต้องการให้ร้อนอยู่มันก็ต้องวางไว้บนไฟวางไว้บนเตาเรื่อยๆเพราะั้นความเพียรมันก็คือเหมือนกับกิเลสอะเมื่อที่ท่านเรียกว่าตะบะตะบะก็คือไฟนะครเผากิเลสให้มันร้อนแต่การเผาก็าต้องใช้ต้องใช้เวลานานแล้วก็บางทีเนี่ย ของบ้นานบานมันก็ปริมาณก็ต้องมากปริมาณไฟก็ต้องมากไอ้ไฟจากโดนเทียนในสิ่จริงก็สามารถจะเผาลนอะไรให้มันร้อนได้เหมือนกันแต่ขนาดใหญ่ใหญ่พอขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเปลวเทียนเนี่ยลนอาจจะร้อนเฉพาะจุดได้จุดหนึ่งแต่ไม่ถึงก็ทําลายสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปได้ พนบางจุดถึงต้องใช้ความเปี่ยนประยับางแต่ก็มีจิตใจที่มั่นคงก็คือมีสมาธิซึ่งตรงนี้แต่ละอย่างเนี่ยจะพบว่าโดยเฉพาะศรัทธาเองก็ขจัดความหลงได้ปัญญาเองเป็นขจัดโดยตรงเลยคือปัญญานั้นขจัดโดยตรงแต่ว่าศรัทธาเนี่ยจะต้องเป็นบันไดในเบื้องต้นแล้วก็อาศัยสัพพัดตรง จึงหมายความว่าภาวนามา จ, จะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติก่อนแล้วเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งเดล่านั้นมากยิ่งขึ้นดังตัวอย่างเรื่องยาที่ยกมาไว้ในตอนต้นนั่นเองทีนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยหมายความว่ากิเลสที่ถูกละไปแล้วก็อย่าประมาทมันว่ามันจะหายไปเลยมันก็เหมือนกับโรคอะพยายามคิดว่ามันหายแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลรักษา อาจจะย้อนกลับมาอีกไปกี่ครั้งก็ได้แต่คนเราเกิดมาชาติหนึ่งก็เป็นหวัดกันเยอะปวดท้องกันเยอะท้องเทียกันเยอะปวดฟันกันเยะอะไรแต่ไหนเนี่ยตามีปัญหาเยอะมันก็มีเยอะนะที่จริงตอนรักษาหายมันก็หายแต่บางโรคมันก็หายเพื่อจะเกิดต่อไปแต่อาจจะเกิดรุนแรงมากกว่ากิเลสภายในใจของบุคคลเองก็มีลักษณะอย่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมด้วยความเพียร เสื่อมใสติแล้วก็มีความมั่นคงในด้านจิตใจธรรมะเหล่านี้จึงจะเป็นฐานใจรักษาใจของบุคคลเอาไว้ก็มีความมั่นคงอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตจติขาถ้า ต, ตรงนี้ไม่มีปัญหาอีสีข้อไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าในสี่ข้อนั้นเราจะเกิดรู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อ ได้ปฏิบัติตามหลักของไตรจิตขาพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ก็เพราะตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมะไว้ประสงค์ที่รู้เรื่องหลดนี้ตามความจริงจนหมดความเครือเปลี่ยนสงสัยก็ด้วยการที่ท่านศรัทธาก่อนและลงมือมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั่นจุดนี้เราจึงพบ ว, ว่าธรรมะทั้งสองประการเนี่ยก็ต่ากับปัญญา จะเอาอะไรออกก่อนออกหลังก็ได้แต่ว่าเมื่ อ, อย่างหนึ่งเกิดอีอย่างหนึ่งก็เกิดตามสนับสนุนไปประการสำคัญว่าจะต้องพยายามอย่างน้อยก็พยายามประคับประคองรักษาไว้อย่าให้เสื่อมแต่ทางที่ดีที่ถูกต้องที่กวรแล้วก็ต้องพยายามเพิ่มพูนขึ้นเด็าการเกิดขึ้นของธรรมะเ่าเนี้ยเขาก็จะทาหน้าที่เขีจัด สิ่งที่ทรงกันข้ามกับเข า, เขาเออกไปอย่างน้อยก็บอบางลงไปทำนองคล้ายๆกันลมพัดโชยบอลอ่อนเนี่ยความร้อนก็ต้องลดลงไประดับหนึ่งปริมาณลมเพิ่มขึ้นความร้อนในจุดนั้นก็จะลดลงมากจริงๆแต่ถึงกระลมเย็นลมหนาวมาความร้อนที่เคยอยู่ในจุดนั้นมันก็หมดไ ป, ปจิญจใจของบุคคลที่เพิ่มพูนธรรมะขึ้น เราไม่ต้องพูดถึงกิเลสก็ได้กิเลสเขต้องสงบไปโดยธรรมชาติของเขาบางเดียก็ลมเย็นที่ผ่านเข้ามานอกจากจะแสดงความเย็นของเขาแล้วมันก็ทำห้าที่กำจัดความร้อนซึ่งเคยอยู่ณจุดนั้นมาก่อนให้เจือจางออกไปจนถึงกัหมดสิตไปต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป